การที่ศึกษาคำพีพุทธวงศ์เนี่ยนะสิ่งที่เห็นดังที่กล่าวปราลรบ่อยว่าพระพุทธศาสนาที่จะมีในโลกเนี่ยเป็นของที่ยากเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าสิ่งที่ยากยากเนี่ยมีอยู่หลายอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ายากอย่างที่สองการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นของยากและที่สาคัญก็บอกว่า รรมวินัยที่พระองค์ประกาศแล้วจะเจริญรุ่งเรืองในโลกนีก็ยากโดยเฉพาะโลกในคือใจของเราเนี่ยนะใจของเราที่จะเจริญงอกงามรุ่งเรืองในคาสอนของพระองค์นี้ก็นับว่ายากข้อความในทุติยะชะิกขละสูะตร ส, สังยุตตินิยมหาวรวรคเนี่ยนะสัจจะสังยุตรพระองค์ตรัสวา่าดูก่อนภิกษจนทั้งหลาย เปรียบเหมือนมาหาปฏาพีมีน้ำเป็นอันเดียวกันหมายความว่าโลกทั้งโลกมีแต่น้ำอย่างเดียวเลยบุตรโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมาหาปฏาพีนั้นที่มีแต่น้ำเนี่ยนะเหมือนว่าน้ำท่วมโลกหมดละแล้วก็มีบ่วงบ่วงเดียวเนี่ยนะบ่วงที่มีอยู่ช่องเดียวลมทิศบุรพาก็พัดเอาแอกนั้นะไปทางทิศประจิมคือทิศ ต, ตะวันตกลมทิศประจิมคือตะวันตกก็พัดไปทางทิศบุรพาคือตะวันออก ลมทิศอุดรคือทิศเหนือก็พัดเอาไปทางทิศทักษิณคือทิศใต้ลมทิศใต้คือทักษิณก็พัดเอาไปในทางทิศอุดรเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปฏาปีนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งร้อยปีโผล่ทีเดียวณนะสมมัยน้าท่วมโลกนนี่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ทีหนึ่งเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไน เต่าตาบอดนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีช่องเดียวนั้นโน้นน่ะได้บ้างหรือหนอเป็นไปได้ไหมเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ทีร้อยปีโผล่ทีหนึ่งแล้วไอ้บ่วงตาเดียวเนี่ยมันก็ลอยได้อ่ะมันไม่ได้หยุดอยู่นิ่งถ้ามันหยุดอยู่นิ่งแล้วก็โผล่จะได้เอาไปสวมสัทีเดียวก็ไม่ยาก แต่เนี่ยไอ้บ่วงนี่มันก็ลอยแล้วล่องไปเป็นพันพันใหม่เนี่ยนะลอยอยู่งั้นลอยไปลอยมาไอ้เต่าตาบอดร้อยปีโผลท่ทีหนึ่งแล้วไปพบกันพอดีเป๊ะเนี่ยนะจะเป็นไปได้ไหมที่สุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นทีหนึ่งร้อปีโผล่ขึ้นทีหนึ่ง จะสอดคอเข้าไปในเอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเป็นไปได้แต่ว่ามันยากนะคือไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ชั้นนั้นเหมือนกันพระองค์อยากจะบอกอะไรเราว่าไอ้ของย า, ยากนั้นอยากจะบอกว่าภิกษุทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากมันยากอย่างนั้นแหละข้อหนึ่งนะสองพระตาอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกก็เป็นของยากยากขนาดไหนคิดดูว่า24อสงค์ไขแสนกับนี่มีเพียง28พระองค์เท่านั้นที่ผ่านมาเพียง28พระองค์ซึ่งนานมากเลยนะในระยะเวลาที่นานขนาดนั้นกว่าจะมีพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์แล้วก็ข้อที่สมนุษย์ก็เป็น มนุษย์ก็ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกแล้วถึงอย่างนั้นธรรมวินัยที่รพระตถ า, าคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยากแปลภาษาไทยอีกครั้งว่าพระตรายปิฎกจะรุ่งเรืองในโลกเป็นของยากยากอย่างนั้นแหละเขาบอกการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากพระพุทธเจ้าเกิดก็ยากคําสอนของพระองค์ที่ จะเจริญงอกงามในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายอันนี้ยากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยนะพระองค์ก็เลย น, นะกล่าวเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นที่ตั้งแห่งความภาคเพียรพยายามว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์เขาได้แล้ว น, นะก็คือพวกเราทั้งหลายได้แล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุบัติแล้วในโลกและธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลก นนก็ถือว่ารุ่งเรืองอยู่แล้วเนี่ยนะตอนนี้ขณะนี้ในจิตใจหลายๆท่านดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะเห็นอริยสัจวันนี้ทุกเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงวันนี้ทุกขสมุทัยเธอทั้งหลายพึงกระทำตความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงวันนี้ทุกขใิโรธ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธคา ม, มนีนีปฏิปทาฉั้นสาระสําคัญของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็คือการแทงตลอดอริยสัจฉันเมื่อพระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเราไม่รู้เห็นอริยสัจนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายฉันการที่เราศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยที่สาคัญคําว่าพุทธะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงรู้อริยสัจ ผู้ที่ตรัสรู้อรยิยสัจเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธพุทธะหมายถึงปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจผู้ใดมีปัญญาแทงตลอดอริยสัจเรียกผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าถ้ารู้อริยสัจโดยลำพังด้วยพระองค์เองและสอนผู้อื่นด้วยเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราจะเรียกท่านยอ่ยอๆว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สั่งสมบุญบารมีเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะ พระความในพุทธวงศ์ต่อไปวงของพระสุมณะพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าสุมนเนี่ยนะสุมณะเนี่ยนะนะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่นับแต่พระทีปังกรนะโกนธั ญ, ญะมังคละพระพุทธเจ้าสุมณะเป็นองค์ที่สี่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบทฟังในพุทธวงศ์ว่า ต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้ามังคละพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะผู้นำโลกไม่มีผู้เสมอด้วยธรรมทั้งปวงผู้สูงสุดแห่งสรรพสัตว์ก็เกิดขึ้นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าสมณะนั้นลั่นอมะตะเพรีคือคำสอนของพระชนะพุทธเจ้าคำสอนอันนั้นที่ประกอบไปด้วยองค์ก้าซึ่งประกอบพร้อมด้วยสังคือคุณธรรมณกรุง เมฆละราชธานีกรงเมฆละราชธานีก็คือพระองค์ตีกรองคือพระไตรปิฎกนั่นเองพระศาสดาพระองค์นั้นทรงกำจัดกิเลส ท, ทั้งหลายแล้วทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดทรงสร้างนาครคือพระสัทธรรมปุระ่าเมืองแห่งพระสัทธธรรมอันประเสริฐสูงสุดพระองค์ทรงสร้างถนนใหญ่ที่ไม่ขาดไม่คด แต่ตรงและก็กว้างใหญ่ถนนอันนั้นก็คือสติปฐานอันประเสริฐสูงสุดถ้ากล่าวสติปฐานอนริยมมากอันประกอบไปด้วยองค์8ชื่อว่ากล่าวแล้วก็คือสร้างถนนคืออริยมมากอันประกอบด้วยองค์8นั่นเองทรงคลี่วางสามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหและสมาบัตแ8เอาไว้นะถนนนั้นชนเหล่าใดไม่ประมาทไม่มีตะปูตรึงใจประกอบด้วยหิริและวิริยะ ชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นย่อมยึดไว้ได้ซึ่งคุณอันประเสริฐเหล่านี้ตามสบายเรียกว่าวางคุณธรรมเอาไว้เนี่ยนะถ้ามีความภาคเพียรมีความละอายหรือว่ามีความเกรงใจตัวเองจริงๆปฏิบัติตามหนทางที่พระองค์แสดงที่พระองค์สอนได้รับคุณธรรมที่ประเสริฐแน่พระศาสดาเมื่อทรงยศชนเป็นอันมากขึ้นด้วยการประกอบนั้น คือยกด้วยคำสอนเนี่ยนะอย่างนี้นี่แหละอย่างสัตว์แสนโกรธให้ตรัสรู้อันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งการสอนอริยสัจของพระพุทธเจ้าสอนโพธิปัจจัยธรรมของพระองค์นั้นมีผู้ตรัสรู้แสนโกรธเนี่ยนะสมัยใดพระมหาวีระทรงสั่งสอนหมู่เดียรถีก็คือด้วยแสดงยมกกะปาติหารเป็นต้นสมัยนั้นสัตว์พันโกรธก็ตรัสรู้ในการแสดงธรรมครั้งที่สอง แสดงครั้งที่สองนี่ก็ตรัสรู้พันโกดสมัยใดเทวดาและมนุษย์พร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทูลถามนิโรธปัญหานิโรธก็คือพระนิพพานทูลถามปัญหาเกี่ยวกับข้อพระนิพพานและข้อสงสัยทางใจแม้ในสมัยนั้นสัตว์ 90,000 มืโกธก็ได้ตรัสรู้ครั้งที่สในการแสดงธรรมในการตอบนิโรธปัญหา เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งเนี่ยนะถามถึงนิโรธสัจจะคือพระนิพพานจากฟังคำถามที่ถามออกไป mm hmm. พระ อ, องค์ก็ตอบมาก็ฟังแล้วก็เห็นอริยสัจบรรลุมรรคผลเป็น9ก้าหมื่นโกดเนี่ยนะเราไม่ต้องแปลกใจเราอ้โหมันพิเศษขนาดนั้นนะขนาดก็ท่านก็ว่าพระ อ, องค์ตรัสชัดที่สุดแล้วเรายังไม่ค่อยจะเข้าใจเนี่ยนะมันก็ปัญญามันต่างกาันทาบุญมาต่างกาัน เราอย่าเอาเราไปเปรียบกับท่านเหล่านั้นเลยเนี่ยนะเราได้บูชาท่านเหล่านั้นได้เลื่อมสายในท่านเหล่านั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเหล่านั้นก็เป็นบุญเป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาพุทธวงศ์บางท่านเนี่ยศึกษาแล้วก็วางตะปูตรึงใจตัวเองจริงหรือมันจริงหรือเนี่ย น, นะอการที่วางตะปูตึงใจเอาไว้กับตัวเองเนี่ยเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยก็ไม่เจริญในคาสอนของ พระพุทธเจ้าเพราะอะไรสงสัยพระพุทธเจ้าตั้งกต่แรกแล้วเพราะผู้ใดสงสัยในพระพุทธเจ้าก็จะเลยไปสงสัยในพระธรรมต่อไปด้วยผู้ที่สงสัยในพระพุทธในพระธรรมก็เลยไปสงสัยในคุณของสาวกพระริยสง์ทั้งหลายด้วยเมื่อสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในศิกขาสที่พระองค์สอนสงสัยในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเมื่อสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในศิกขา ไอ้ที่จะไปปฏิบัติที่จะไปเรียนรู้ที่ไปพืชประพฤติปฏิบัติให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถูกตะปูตรึงใจยิ่งกว่ากลืนตะปูเขาอีกเหมือ น, นันนะนะกลืนตะปูเขายัางช่วยยังเดินไปหาผู้ที่ผ่าตัดออกได้บ้างอันนี้ถูกตะปูตรึงไว้ยึดไว้กับที่เนี่ยนะก็เลยทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นศึกษาคําสอนเนี่ยศึกษาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสไม่ให้ศึกษาเพื่อให้เกิดความ สงสัยเนี่ยนะบรรผู้ที่สงสัยเนี่ยบอกถ้ายังสงสัยเนี่ยอนาคตกุดว่างั้นเถะแปลว่าไม่เจริญงอกเงยเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่จะคลายความสงสัยถ้ายิ่งสงสัยต้องรีบไปถามผู้ที่เขาสามารถแก้ความสงสัยให้ได้นะถือว่าเป็นยาพิษชนิดร้ายแรงที่เราดื่มเข้าไปแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าสงสัยในพระรตนาไตรที่จะเจอจะเจริญงอกงามในศาสนาของพระรัตนาไตรก็ไม่ใช่อยู่แล้ว ต่อไปอีกว่าพระสุมาณะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชมพระอรหันต์ขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบพระอรหันต์ผู้คงที่อยู่สามครั้งด้วยกันนะมีการสาวกสันนิบาตเนี่ยนะประชมพระอรหันต์สามครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่จําพรรษาแล้วเมื่อท่านประกาศประวรณาพระตถาคตก็ทรงประวรณาพรรษา พร้อมด้วยภิกษุแสนโกดต่อจากสันนิบาตการประชุมครั้งที่หนึ่งนั้นในการประชุมภิกษุเก้ามื่นโกดณภูเขาทองไร้มนทินก็เป็นการประชุมครั้งที่ 2. ในสมัยที่เท้าสักกะเทวราชเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาและมนุษย์8 0ด0มื่นโกดประชุมกันนี้เป็นการประชุมครั้งที่สามสมัยนั้น พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้านั้นบอกว่าเราเป็นพญานาคชื่อว่าอตุละไม่มีพญานาคไหนเสมอเหมือนนะไม่รู้ว่าตระกูลวิรูปักขา่าหรือกันหาโคทักันหาโคนตามากะหรือว่าฉับพยาปุตตะเนี่ยนะแต่ก็อยู่ไม่เกินสีตระกูลนี่แหละมันก็ได้เป็นพญานาคก็คือพญางูมีฤทธิ์มากเป็นผู้สั่งสมกุศลไว้มาก อย่าลืมนะว่าสั่งสมบุญไว้เยอะเนี่ยนะก็ยังพลาดไปเกิดเป็นงูเขาบอกว่าชาติที่ไปเกิดเป็นงูเนี่ยนะงูเนี่ยมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความโกรธเนี่ยนะเป็นตัวแทนของความโกรธในบรรดาสัตว์ที่ดุรายทั้งหลายพมัะถ้าเราสะสมนิสัยนิยมโกรธบ่อยๆมักจะโกรธบ่อยๆจริงๆก็ไม่ได้ชอบแต่มันมันมักจะเกิดอ่ะนะก็เลยแบบนั้นก็สะสมอัธยาศัยนิสัยที่จะเป็นพญานาคเนี่ยนะสะสม ถ้าบาปมันให้ผลจำนวนมากก็เป็นงูเล็กงูน้อยงทูทั่วไปถ้าบุญมันให้ผลบ้างนะแต่ว่าบาปนำเกิดก็เป็นพญานาคไปพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นพญานาคขณะสะสมบุญมาเป็นอาสงไขยนะั้นยังเกิดเป็นนาคกนะก็ถือว่าสังสารวัตนี้ไม่ปลอดภัยเลยครั้งนั้นพญานาคก็บอกว่าเราออกจากนาคคพิภพพร้อมด้วยเหล่าญาตินาคทั้งหลายนะไปทาบุญพร้อมกับญาติ บำรงบำเรอพระชนะพุทธเจ้าด้วยดนตรีทิพย์ท่าะในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนาคถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไมบรรดาหินานาคบรรดนั่นก็เกี่ยวกับเรื่องนาคถือเป็นเรื่องธรรมดาทางอินเดียหรือไทยเนี่ยนิยมใช้คําว่านาคพระพักเมืองจีนเขาใช้คําว่ามังกรเนี่ยก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือกลุ่มตระกูลงูทั้งหลายนั่นแหละพญานาคบอกว่าเราเลี้ยงดูภิกษุแสนโกรธให้อิ่มน้ําสําราญ คือพญานาคเขาทาบุญได้เนี่ยนยด้วยการถวายข้าวถวายน้าถวายผ้าถวายคู่ผ้ารูปและคู่แล้วถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้านั่นเองพระสมณะพุทธเจ้าผู้นาโลกพระองค์นั้นทรงพยากรเราไว้ว่านะพระพุทธเจ้าพยากรพญา ง, งูพญานาคไว้ว่า ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในกลับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กลับนี้ไปแปลว่าอีกเป็นอสงไขยนั่นแหละอีกสองอสงไข่แสนกับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นแล้วก็พยากรณ์ต่อไปอีกว่าพระตถาคตออกพิเนศกรมจากกรุงกบิลพัทอันหน้าเรื่นรมแล้วตั้งความเพียรทำทุกขะกิริยาธรรมในสิ่งที่ทําได้ยาก พระตถ า, าคตประทับนั่งณโคนต้นอาชะประรนิโครดรับเข้ามาทุปายญานณที่นั้นแล้วก็เข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชาพระชินเจ้านั้นเสวยเข้ามาทุปายญาณที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาเสด็จเข้าไปที่โคนโพพลกโดยทางอันดีที่เขาจัดไว้ต่อนนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทำประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยม จากตรัสรูณโพพฤกชื่อว่าอสัต t h ต้นโพใบก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธบิดาล่ะนะท่านผู้นี้คือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ชาติเป็นพระพุทธเจ้าจากมีพระชนนีพระพุทธบิดานามว่ามายาพระชนกพระนามสุดโททนะท่านผู้นี้ชื่อว่าโคตมะเรียกตามโคดนะครัโคตมะโคดเนี่ยนะพระองค์นี้จะมีอัคารสาวกชื่อว่าโกริตะ และอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธอุปถากของท่านชื่อว่าอานัตะจากบำรงพระชินะพุทธเจ้าผู้นี้จากมีพระอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวณาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นจะสังเกตดูว่าถ้าชื่นชมพระรหัน์ที่ไหนก็บอกไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบและ ตั้งมัน่นอันนี้คุณสมบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีอาสะวะสีกามาสะวะพวาสะวะทิฏฐสะวะและอวิชชาสะวะปราศจากราคะคือบ่วงที่นำไปสู่พบใหม่แต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีจิตสงบตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตั้งมั่นด้วยรูปฌานารูปฌ า, า, านและโลกุตระนั่นเอง โพพฤกเนี่ยนะโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอัศถะต้นโพใบอัคราอุปถากเชื่อว่าจิตตะและหัตถาอารวกกะอัคราอุปถายิกาเชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมผู้ยศนะผู้ทรงยศพระองค์นั้นมีพระชนมายุปประมาณร้อยปีแหมยุคน้อยจังเลยนะ สมัยที่คนมีอายุเป็นหมื่นๆมื่นปีเนี่ยพยากรณ์บอกเนี่ยท่านผู้นี้จะเกิดในสมัยร้อยปีนะซึ่งสมัยพวกเราเต๊ะเลยนะพยากรณ์แม่นมากรอยอยังไม่ถึงเลยเนี่ยนะแต่ถึงร้อยนี่ก็มีบุญหนักหนาแล้วน้เอนนเทวดามนุษย์และเทวดาฟังพระดำรัสนี้ของพระสุมณะผู้แต่เจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื่มใจว่าท่านเหล่านี้เป็นหน่อพู้ทางกูลท่านเหล่านี้เป็นมีเป็นพืชพันธุ์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ปลื้มใจบอกว่าหมื่นโล ก, กธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็พากันโู่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนามสการคำนอบน้อมกล่าวว่า ถ้าว่าหากพวกเราพลาดจากคําสั่งสอนของพระโลกกนาาพระองค์นี้หมายว่ามาเจอพระพุทธเจ้าสุมนณะพุทธเจ้าแล้วก็มาเดตรัสรู้ในอนาคตการพวกเราจักอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้จะอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละขอให้บรรลุเหมั้นอย่าให้มันเลยอีกต่อไปเลยเามือนมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้าพลาดท่าน้าข้างหน้าก็ยังถือเอาท่าน้าข้างหลัง ข้ามแม่น้ำใหญ่ไปได้ฉันใดพวกเราทุกคนท่าว่าจะละพ้นจากพระชินเจ้าพระสมณะพุทธเจ้าพระองค์นี้ไปเสียในอนาคตตการขอพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์คืออัตุละพยานาคผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะได้ฟังพระดํารัสของพระสมณะพุทธเจ้าแล้วก็มีใจเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดขึ้นไปอีก สมาทานที่จะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อบําเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นะว่าพระโพธิสัตว์นี้ได้รับฟังคําพยากรณ์ก็ไม่ได้เปลื้มแล้วก็นอนสบายไม่พยายามที่จะสร้างบารมี10อุปปารมี10บปรมาภบปรมีสิบเท่าที่จะทําได้รวบรวมพุทธกถาธรรมรวบรวมคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทีนี้กล่าวถึงพระสมณะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อสองอสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยนะพระสมณะพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์เกิดที่พนครชื่อว่าเมฆละพระชนกพนามว่าพระเจ้าสุทัตตะพระชนนีพระนามว่าพระนางสิริมาพระพุทธเจ้าสมณะเนี่ยพระองค์ครองคารวาสวิสัยเก้าหมื่นปีคือน่าจะเก้า มไม่น่าเก้าหมื่นปีนะแปลผิดด้วยเก้าพันปีนะแก้นิดหนึ่ว่าพระองค์นั้นทรงครองค า, ารวาสวิสัยเก้0พันปีมีปราศาสตรยอดเยี่ยมชื่อว่าจันทสุจันทะและวตังสะน่ะมีปราสาทตอยู่สามสามหลังพระองค์ทรงมีพระสนมนารี แต่งกายงามหก0มื่น่นสามพันางนะก็คือพนรรักงานทั่วไปนะมีพระมเหสีพระนามว่าว่ตตังสกีมีพระโอรสพระนามว่าอนุปะมะกระไรที่เปรียบว่างั้นนะลกลกชายเนีชื่อว่าหมาไร้ใครเปรียบนะไม่รู้จะเอาใครมาเปรียบว่างั้นพระนาง วัดตังสกีนี้แสดงว่าเป็นที่รักของพระโพธิสัตว์มากจึงตั้งชื่อปราสาทว่าวัดตังสะนี่นนะพระชินทรพุทธเจ้าสุมาณะพระองค์นั้นทรงเห็นนิมิตสคือปกติของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ก่อนจะออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องเห็นคนแก่ซึ่งเออเราก็เห็นนะ เ, เ, เห็นคนเห็น แ, แก่และอะไรอีกเห็นอะไรเห็นคนป่วยเอยเอเราก็เห็นบ่อยออก เห็นคนตายก็เห็นเนี่ยนะเขาก็ไปงานศพกันประจําสุดท้ายก็เห็นนักบวชก็เห็นพระเดินบิณฑบาตทุกวันเนี่ยนะแต่เราก็ยังเหมือนเดิมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมก็เพราะว่าเราไม่มีบุญเนี่ยนะไม่ได้สั่งสมบุญไว้พันเทวทูตทั้ง4ประการจะมาเตือนยังไงก็เหมือนเดิมเหมือนกันจะมีคำว่าใบเตือนขนาดไหนก็ทําใจได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับพระโพุทธศว์นั้นผู้ที่สั่งสมบุญบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้ว เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายเห็นนักบวชเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะในที่สุดก็เสด็จมหาพิเนสกรมเนกขมะคือการออกบวชยานที่ออกบวชก็คือช้างตั้งความเพียรสิบเดือนเต็มเนี่ยนะ พ, พิจารณาอริยสัตว์คนควาวิจัยเลือกเฟ้นอยู่สิบเดือนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระมหาวีระผู้กล้ากล้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะสมณะ ผู้นำโลกผู้สงบอันท้าวมหาพรหมอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณกรุงเมฆคละราชธานีกรุงเมฆคละราชธานีก็เมืองของพระราชบิดานั่นเองพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประกาศที่เมืองพราราณสีใช่ไหมพระพุทธบิดาอยู่กบิลพัฒน์เนี่ยนะแม่ต้องทรงทูตมาเชื้อเชิญนะจึงจะไปอันนี้ไปโปรดที่เมืองพระราชบิดาเลย พระสมณะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครสาวกชื่อว่าสารณะและพระภาวิตต์ตระนนะพระสารณะก็คือพระผู้เป็นที่พึ่งแปลภาษาไทยว่าพึ่งได้นนะพระอัครสาวกข้างซ้ายนี่พึ่งได้จริงๆนนะแปลว่าแสดงว่าท่านช่วยให้สมความปรารถนาก็เลยเรียกว่าท่านพระสารณะพระพึ่งได้ แล้วก็พระพาวิตตะก็คือพระพี่อบรมตนเองเป็นอย่างนี้พาวิตัตะแปล ว, ว่าผู้ที่อบรมตนเป็นอย่างดีส่วนพระพุทธอุปถาคชื่อว่าพระอุเทนมีพระอัคระสาวิกาชื่อว่าโซนาและพระอุปโซนาโซนาก็งามะนะพระพุทธเจ้าผู้เสมอกับพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครเสมอพระองค์นั้นตรัสรู้นะโคนโพพฤกชวต้นนาค ต้นไม้ที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นกากะทิงนั่นเองพระองค์มีอักขรอุปถากชื่อว่าวรุณะและสรณะมีอักขระอุปถายิกาชื่อว่าจาราและอุปจาร า, านะพระรหัสสมัยพุทธกาลของเราก็มีนะจาราอุปจาราสีสุปจาราเนี่ยนะก็มีในเทวีคาถาเขามีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยส่วนสูงพระองค์สูง90ศอกพระรูปพระโฉมงดงามเสมือนรูปบูชาทอง น, นะเหมือนรูปบูชาที่ทําจากทองเลยนะเหมือนเรียกว่าเหมือนเทวรูปทองคําทั้งองค์อ่ะนะเหมือนนะไม่ใช่ใช่เพราะเทวรูปยังไงจะไปสู้กับพระพุทธเจ้าได้พระองค์นะี้มีรูปงามอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นรูปทองเนะี่ยหมื่นโล ก, กาธาตุก็เจิดจ้าในยุคนั้นอายุมนุษย์เก้าหมื่นปีพระองค์เมื่อทรงพระชนยืนเพียงนั้นก็ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอะสงสาร พระองค์เนี่ยดำรงอยู่ตลอดแนวนานนะตั้ง9ก้าหมื่นปีช่วยเทวดาและมนุษย์ให้บรรลุนะช่วยสําเร็จเยอะเลยนะเหลือแต่พวกเรานี่มันเหลือได้ยังไนะงเนี่ยคำว่าชนเป็นอันมากคือพวกพุทธเวทในเนี่ยนะพวกที่พระพุทธเจ้าพอจะโปรดได้ตอนนั้นพระองค์เห็นเราแ ล, ล้วล่ะนั่งทําตาปริดๆยังไงไม่ทราบบอกเลยเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังคนที่ควรข้ามให้ข้ามโอฆาสงสารพาให้ข้ามด้วยอริยมรรณะนะ ทรงยังชนที่ควรตรัสรู้ให้ตรัสรู้แล้วก็ทรงสเสด็จ ด, ดับขันปริณิพานเหมือนเดือนดับ น, น, นะพระองค์ก่อนบอกว่าเหมือนอาทิตย์อัสดงคตใช่ไหมฮอาทิตย์อัสดงคตก็ถึงความมืดอันนี้ก็บอกว่าเหมือนพระจันทร์รับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยนะกลางคืนเนี่ยถ้าใครเป็นนักเดินทางกลางคืนที่โดยใช้แสงจันทร์เป็นแสงสว่างเลยนะนะตอนสมมติว่าบางช่วงในช่วงเดือนค่ะเดือนข้างแรม เดือนข้างแรมนสมุทรายามสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยนะมันมันจะรับไปเนี่ยดวงเดือนจะรับไปอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงช่วงเดือนดับเนี่ยนะคือหลังดอยกระทงมาแล้วจะเป็นช่วงเดือนดับเดือนจะรับเร็วมากนะเมื่อเดือนรับเร็วออขอภัยไม่ใช่ถ้าข้างขึ้น่ะข้างขึ้นเดือนจะรับเร็วนะถ้าข้างแรมเนี่ยเดือนจะขึ้นช้านะ ถ้าอย่างเนี้ยข้างเรมเนี้ยเดือนดึกเดือนดวงเดือนจะสว่างขึ้นนะนะแต่ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วไปถ้าดวงเดือนสองสว่างเสร็จแล้วในที่สุดเนี้ยนะถ้าเดือนรับขอบฟ้าไปแล้วมันมีแต่ความมืดสมัยเด็กๆชอบเดินทางกลางคืนนะชอบเดินทางกลางคืนเพราะมั้นเวลาที่ตอนที่สองสามทุ่มสทุ่มเนี้ยนะมันมีแสงสว่างแห่งดวงเดือนพอเดินไปได้เดินไปถูกแต่พอ4ี่ห้าทุ่มไปแล้วเดือนรับขอบฟ้าเนี้ยมัน ไฟที่เรามีถึงเราจะมีดวงไฟส่องนะมันก็ไม่ค่อยจะเห็นะ่ะมันเห็นเฉพาะที่เราส่องแต่ลืมตาดูในทิศอื่นๆเนี่ยมันมืดมิดไปหมดทีนี้เราก็มาคิดดูว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นประทีปส่องสว่างให้แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกยามเมื่อเราไม่มีคำสอนมันก็มีแต่ความมืดมิดแต่คนที่จะเข้าใจคำว่ามืดต้องรู้จักสว่าง ถ้าสว่างเข้าใจคำสอนจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่รู้จักคำสอนนั้นเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่มืดมนอนทาการก็เลยเรียกว่าพวกอันดภานพวกที่มืดมนอม น, นั้นมืดมิดไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บนรู้บาปรู้ไม่มันโง่เขลาจริงๆเลยะนะเป็นชีวิตที่มืดมนอ น, อนทาการเนี่ยนะอันว่าเหมือนกับพอๆกับบอดเหมือนกับคนบอดไม่ไม่ต่างอะไรจากคนบอด แต่ว่าพระองค์เหล่านั้นก็ตรัสรู้ทำกิจพุทธกิจของพระองค์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพานไปพระขีณาศพเหล่านั้นคือพาหันที่เป็นสาวกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ผู้มียศยิ่งใหญ่แสดงรัศมีที่ไม่มีอะไรเปรียบได้ในที่สุดก็พากัน อนุปาทิเสสปรินิพานดับกิเลสเสร็จตั้งกะแรกแล้วในที่สุดก็ดับวิบากและกรรมชรูปดับทั้งหมดเนี่ยนะในที่สุดก็เหมือนกับอะไรขีน่นางบุรนังนวังนาทีสัมภวังประทีปที่สิ้นเชื้อดับไปฉะนั้นพระยานที่ไม่มีอะไรวัดได้นั้นนะพระยานของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรวัดได้เช่นกับอากาศ รัตนะคือพระพุทธรัตนะที่ไม่มีอะไรชั่งได้เหล่านั้นคือทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เหล่านั้นก็อันตรธานไปหมดสิน้นนะพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าสุมานณะเหล่านั้นก็ศูนหายไปจากโลกอันตรธานหมายความว่าหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้หมดเลยนะนะซึ่งตอนนี้ ของเราก็มาอยู่ปลายๆศาสน า, าของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่นานนีหมดยังไงก็เชื่อว่าหมดเนี่ยนะเพราะแนวโน้มจะหมดเนี่ยนะก็คืออาจจะคราบอาจจะเหลืองเหลือพอเหลืออยู่บ้างแต่ว่าตัวคําสอนตัวอะไรเป็นต้นก็แนวโน้มว่าจะหมดจริงๆเนี่ยนะต่อในที่สุดสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแท้เนี่ยนะถ้าไปอินเดียแล้วก็จะรู้โอ้สังขารทั้งหลายนี่ว่างเปล่าแน่แท้ ไปศีรัง ก, ก็จะเห็นว่าเกือบจะว่างเปล่าอยู่แล้วเนี่ยนะนี่ก็ย้อนมาดูบ้านเราว่าอีกไม่นานเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจริงๆอย่างเป็นจริงเป็นจังก็สังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้ก็เหลือแต่คนที่ไร้เก่น์คำว่าเก่นในทีนี้ก็คือปราศจากอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญ า, าศาสนาก็สูญไปจากโกูก รอเธอรอพระพุทธเจ้ า, าองค์ใหม่รอผู้ที่เขาทําปัญจมหาบริจาคบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคศรีระบริจาคชีวิตบริจาคราชสมบัติบริจาคบุตรบริจาคภ ร, ารยาบําเพ็ญบา ร, รมีสิ้นสี่อสงไขยแสนกลับเป็นอย่างน้อยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ า, าในอนาคตกค็ขอไปเถอเป็นสายบัวนะนะั่นแหละถูกแกงลูกอีกครั้งนะแกงส้มแกงสายบัว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงยศเสด็จดับขันปรินิพานณ์พระวิหารอังคารามชินะสถูปพระชินะสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นในพระวิหารนั้นนั่นแลสูงสีย่ยอดเนี่ยนะเจดีย์ใหญ่มากเนี่ยนะในที่สุดบัดนี้เจดีย์ก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่มีเหลือแล้วเนี่ยนะ ไปสังเกตไปเลยล่ะแห่งเนี่ยเจดีก็ผุเจดี JD เริ่มพังเข้าหนักหนักเข้าก็กลายเป็นเหมือนกับเนินดินอย่างในที่สุดก็มองว่าเป็นเนินดินเป็นจอมปลวกธรมธรมดาธรรมดาอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าแสดงย ม, มะกะปาฏิหารถ้าไม่มีการขุดการอะไรมันก็คือเนินดินธรรมดาหรือไปเจดีเจดีที่เราเรียกว่าบ้านานางสุชาดาเนี่ยจริงๆตรงนั้นคือเจดีนะเป็นร่องรอยขององค์เจดีทั้งหมดเลย แต่ว่าพอมองเห็นเนินดินเราพูดคเนินดินบ้านนางสุชาดาเขาบอกกนเจดีหลายๆแห่งเนี่ยนะอย่างที่ที่อินโดนีเซียใช่ไหมก่อนหน้านี้ใครจะไปรู้ว่าเนินอันนั้นนะคือมหาเจดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะลายๆแห่งก็จะเป็นอย่างนั้นแม้แต่เจดีองค์ใหญ่ๆก็จะมองเป็นจอมปลวกงั้นเราไปที่เชตะวันะเจดีที่สีลังกามันก็มีต้นญ้าขึ้นปกคลุมถ้าต้นญ่าขึ้นปกคลุมบ่อยๆไม่มีการชําระก็จะเหลือแต่ต้นจากต้นหญ้า ก็กลายเป็นดินก็มาอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นนะข้างในก็เริ่มผุข้างนอกก็ดินทับถมลงมาก็กลายเป็นจอมปลวอกจอมหนึ่งเท่านั้นเองในที่สุดก็อันตรธานเนี่ยนะกลายเป็นผุยผงไม่มีอะไรเหลือแล้วในโลกเมื่อคนที่เข้าใจประวัติก็ไม่รู้นะพระพุทธคุณก็ไม่รู้คำสอนก็ไม่เข้าใจผู้ที่ปฏิบัติตามก็ไม่มีอันนี้แหละเขาเรียกว่าศูนก็คือเปล่าเปล่าแบบชนิดที่เรียกว่า เปล่าจากสุตะเนี่ยนะเปล่าจากศรัท ธ, ธาศีลสุตะจากขปัญญาเปล่าจากคุณธรรมที่ควรจะได้รับจากาศาสนาของพระพุทธเจ้าพรันพระองค์นี้บำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกเมื่อไม่ได้รับคุณธรรมจากพระองค์แล้วจะน่าน่าสงสารขนาดไหนนะพระองค์ทาทุกอย่างเพื่อเราเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากพระองค์แม้แต่นิดเดียวเพราะันก็มีหลายคนกเขาอ่านพุทธประวัติอ่านพุทธคุณอ่าน มหาปริณิพพานสูตรสงสารพระพุทธเจ้าจริงๆเลยคำว่างั้นใช่สงสารพระพุทธเจ้าจริงๆที่โปรดเราไม่สําเร็จสงสารจริงๆเลยแมพระองค์น่าจะโปรดเราสําเร็จพระองค์ยังโปรดเราไม่สําเร็จพระองค์น่าสงสารจริงๆนั่นนะเอายังงั้นหรือเปล่านะสงสารพระพุทธเจ้าเหลือเกินที่โปรดเราไม่สําเร็จอ่างงั้นแย่างว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะน่องเรื่องนะอย่างว่าไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ ทางเรืองบอกไม่แน่อาจจะสําเร็จก็ได้เล่นะจะไปเดินทางมากนะักลงเหนียวหลังเสียมันได้ไปในอะินเดียในอัตถกถาพุทธวงศุมาณะพุทธเจ้าที่สเนี่ยนะว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นองค์นั้นองค์ไหนองค์มังคละพุทธเจ้าองค์ก่อนคือในกลับเดียวกันเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสีอ่องค์นะพระพุทธเจ้ามังคละสมณะเรวตะและอะไร น, น, นสมาเนเรวตะและโสพิตะนั่นเองมัมีเกิดขึ้นสีองค์เลยนะในสีองค์นั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าพนามว่าก่อนหน้านั้นคือพระพุทธเจ้ามังคละโปรองดับขันปรินิพานก็ทำามื่นโล ก, กาธาตุให้มืดลงพร้อมกันเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ามังคละนี่มีพระสมีแสงพุ่งออกจากพระรากาย แสงสว่างอันนั้นเนี่ยตลอดหมื่นโลกธาตุเมื่อพระองค์ดับขันทปรินิพานแสงสว่างอันนั้นก็มืดมิดลงไปพร้อมกันด้วยเหตุอย่างเดียวนี้แล้ววันเวลาก็ผ่านไปต่อจากสมัยของพระองค์เมื่อมนุษย์ทั้งหลายซึ่งมีอายุเก้าหมื่นปีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะพระพุทธเจ้ามังคละมีอายุประมาณมื่นปีชีวิตก็ลดน้อยลงไปโดยลาดับ จากหมื่นปีเหลือ 90, เก้า0มื่นเหลือ8 0 0หมื่นกว่าเหลือแ7ดห0ื0 0เจ็0 0มื่นสี่หมื่นห้าหมื่นส่้ปี8ปดพันเจ็ดพันหกพันห้าพันสี่พันพปี900ปี800ปีเจ็ดหกหม่ตลอดร้อปีตลอด90ปี80ปี เจปีเอ๊ยยุพวกเราแล้วนะโอ้โหมันลดขนาดไหนมันลดมากเลยนะลดยิ่งกว่าเครื่องบินบินสูงแล้วมันลดเพดานบินแล้วมันจะเลิศติดดินอยู่แล้วเนะี่ยนะเจ็ดสิบปีหกสิบปีห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบเหลือประมาณสิปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็บอกอายุยืนมากสิปีตายยืนจริงๆรินะโอ้ยอยู่ได้ยังไงอยู่ตั้งสิปีเนี่ยนะยุงมันอัศจรรย์มากเลยนะ ยงนี่สงสัยมากโอ้โหมนุษย์อยู่ได้ยังไงตั้ง10ปีเนี่ยน ะ, มะแมลงวันนี่งงเลยนะอยู่ได้นานจังเลยว่างั้นนี่ก็เหมือนกันก็ลดมาเหลือประมาณ10ปีก็ตายเนี่ยนะก็สังเวชขึ้นมาประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบอายุก็เพิ่มขึ้น10 20 30 40 50 100ิีรปีนะหลายร้อยปีพันปีหลายพันปีนะหลายพันปีก็เป็นหมื่นปีก็หลายหมื่นปี เป็นแสนปีแล้วก็เพิ่มหลายแสนปีจนมีอายุเป็นอาสงไขยปีประมาณอีกแล้วก็อายุลดมาอีกลดลดลดลดลงมายนะตัวเลขกข็ลดมาเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณ9ก้าหมื่นปี